เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสาระที่พึ่งของใจให้เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาห้าหกวันที่ผ่านมาท่านก็ใช้เวลาให้กับการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ เอาไปซื้อปัจจัยสี่ที่เป็นที่พึ่งของร่างกายคือร่างกายจำเป็นที่จะต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคจึงจะสามารถอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ปัจจัยใดไป ร่างกายก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายอย่างสม่ำเสมอจึงมีความจาเป็นที่จะต้องไปทามาหากินหาเงินหาทองมาเพื่อใช้ใจ่ายกับปัจจัยสี่แต่ในวันหยุดที่มีนี้ พระพุทธเจ้าสงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจให้มาสร้างที่พึ่งของใจให้เหมือนกับร่างกายที่มีที่พึ่งคือปัจจัยสี่ใจก็เป็นเหมือนร่างกาย ใจก็ต้องมีปัจจัยสี่ถึงจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้เพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของร่างกายนี้ไม่สามารถใช้กับใช้กับจิตใจได้จิตใจต้องมีปัจจัยสี่ของจิตใจเองจึงจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายใจก็ต้องการอาหาร ต้องการเครื่องนุ่มหอมต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคเช่นเดียวกับร่างกายแต่ปัจจัยสี่ของใจนี้ต่างจากปัจจัยสี่ของร่างกายคืออาหารของใจนี้เกิดจากการได้ทำบุญทำทานถ้าได้ทำบุญทำทานแล้ว ใจจะได้รับอาหารเพราะใจจะได้มีความอิ่มเอิบใจทุกครั้งที่ได้ทำบุญทำทานเหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจจิตใจจะมีความอิ่มใจสุขใจสบายใจถ้าไม่ได้ทำบุญทำทานจิตใจจะหิวโหวยกับสิ่งต่างๆหิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ะชนิดต่างๆ หิวโหยกับราบยศสรรเสริญถ้าไม่ได้ให้อาหารกับใจคือถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานอย่างสม่ําเสมอใจก็จะต้องไปหาสิ่งอื่นมาให้ความสุขกับใจแต่สิ่งอื่นที่ใจไปหามาให้เช่นราบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดพะผาชนิดต่างๆ ร่วนเป็นเหมือนยาเสพติดคือได้มาแล้วจะไม่ให้ความอิ่มความพอแต่กลับจะสร้างความหิวความต้องการให้เพิ่มมากขึ้นไปและเวลาที่ไปหามาถ้าหาไม่ได้ก็จะทำให้เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและเวลาที่ได้มาแล้วเวลาต้องสูญเสียไป ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจตามมาอีกการหาสิ่งต่างๆนอกจากการทำบุญทำทานเพื่อมาเป็นอาหารให้แก่ใจนี้เป็นการหายาพิษมาให้กับใจเป็นเหมือนกับหายาเสพติดมาเสพคนที่ติดยาเสพติดนี้นอกจากเลือกระหว่างการหาอาหารกับยาเสพติด จะต้องหายาเสพติดมาเสพเพราะเมื่อเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วจะเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานใจถึงแม้จะไม่ได้รับประทานอาหารแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการขาดอาหารนี้ไม่รุนแรงเท่ากับความทุกข์ที่เกิดจากการขาดยาเสพติดคนคนติดยาเสพติดน่าจะพร้อม เราแทนที่จะหาอาหารให้กับร่างกายกับมัวไปหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆฉันใดจิตใจก็เป็นแบบเดียวกันจิตใจของผู้ที่ไม่ได้ทําบุญทําทานจิตใจของผู้ที่สวงหาแต่ลาบยศ ส, สรเซิร์นสวางหาแต่รูปเสียงกลิ่นรถโถดทพัะมาเสพมัาจะเป็นจิตใจที่ ที่ผอมแห้งแรงน้อยไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มใจต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามมันก็เป็นความสุขชั่วคราวที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆวันนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้มาเติมใหม่ก็จะเกิดความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายสิ่งต่างๆที่หามาได้มีมากมีน้อยนั้น ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขใจต้องได้ของใหม่มาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้ก็เกิดความเสียใจทุกข์ใจแล้วถ้าสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่สําหรับผู้ที่มีการทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอใจจะไม่ค่อยหิวโหวยไปกับยาเสพติดของของใจ จะไม่หิวโหยกับราบยศสระเสริญกับรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐพธชชนิดต่างๆเพราะใจมีอาหารใจใจมีความอิ่มความพออยู่ในใจจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากยาเสพติดมาเสษนั่นเองอันนี้ก็คือปัอจจัยสี่ของใจอันดับแรกก็คืออาหาร ต้องเหมือนต้องทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการให้อาหารของร่างกายที่เราก็ต้องให้อย่างสม่ำเสมอวันละสามครั้งอาหารของใจถ้าทำถ้าเป็นไปได้ก็อย่างน้อยให้วันละครั้งก็ยังดีอย่างชาวบ้านที่พาไปบิณฑบาตนี้เขาก็ได้ทำบุญทำทานทุกวันเขาได้ใส่บาตรทุกวันแล้วเขาก็มีคม สุขใจอิ่มใจเขาไม่ค่อยกระตือรือร้ น, นไม่ค่อยดิ้นรนกับการที่จะไปต้องไปมีราบยศเสริญไปมีรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้อะไรต่างๆชีวิตเขาอยู่แบบเรียบง่ายได้เพราะใจของเขาไม่หิวโหวยใจของเขามีความสุขจากการที่เขาได้ทำบุญทำทานอันนี้คืออาหารของใจ และนอกจากประโยชน์ที่จะได้รับในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วอาหารของใจนี้ก็ยังเป็นอาหารของใจต่อไปได้อีกหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปแล้วอาหารของร่างกายนี้ไม่สามารถดูแลร่างกายได้และไม่สามารถดูแลจิตใจได้มีเงินมีทองเจีซื้อหารมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะซื้ออาหาร ให้กับใจได้แต่ใจถ้าได้มีบุญได้ทำบุญได้สะสมบุญอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆบุญนี่แหละจะเป็นอาหารทิพของใจต่อไปจะทำให้ใจที่เป็นดวงวิญญาณนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับในขณะที่มีชีวิตอยู่ต่างกับคนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานเวลาตายไปนี่ ดวงวิญญาณจะมีแต่ความหิวโหยแล้วก็ไม่สามารถเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดไม่สามารถเสพยาเสพติดได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเอาไปกับใจได้นั่นเองมีสิ่งเดียวที่จะเอาไปกับใจได้ก็คือบุญหรือบาปคือบุญหรือบาปเท่านั้นเองถ้าไม่ได้ทำบาปทาแต่บุญ ก็จะมีแต่บุญติดตัวไปบุญก็จะให้ความสุขเป็นในลักษณะของสวรรค์ชั้นต่างๆนี้เองแล้วนอกจากนั้นเวลาที่กรรมมาเกิดใหม่หลังจากที่ได้ไปรับผลบุญแล้วยังมีบุญอีกส่วนหนึ่งที่จะรอรับการไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าต่อไปเงินทองที่เราได้ทำบุญทำทานนี้ เมือนเราไปฝากไว้ในธนาคารของพบหน้าชาตินะพอเราไปเกิดพบหน้าชาตินะเราจะก็เกิดในในฐานะที่มั่งคั่งไม่ยากจนจะจะมั่งคั่งจะร่ำรวยมากน้อยก็อยู่กับบุญที่เราทําที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญถ้าเราทําบุญมากเรามาเกิดครางหน้าเราก็จะได้ เกิดมีฐานะลำน่ำลวยมากอย่างยกตัวอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระราชปุมาตอนที่เป็นพระเวชสันดรเกอบำเพ็ญทานบรารมีอย่างยิ่งใหญ่ทำบุญทำทานอย่างเต็มที่ไม่เสียดายเงินทองที่มีไม่เสียดายทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆที่มีใครทุกข์ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็อ ย, ยินดีให้ พอเวลาตายไปดวงวิญญาณก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์แล้วหลังจากลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร<ม>เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน<ม>ที่มีความมั่งคั่งมีความร่ารวยสา ม, มารถสร้างปร า, าสาทสามฤ ด, ดูให้กับเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ได้มีมีบริบรษัทบริวาร คอยรับใช้คอยตอบสนองความสุขในรูปแบบต่างๆให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละคืออ น, นิสง์ของบุญของการทำบุญทําทานอ น, นิสง์ของอาหารของใจใจถ้าขาดอาหารแล้วจะจะไม่ได้ความสุขไม่ได้ความอิ่มตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยถ้าทำบาปจากการด้วยการ ด้วยการความโลภ ก, ก็จะกลายเป็นเปรตไปได้แล้วถ้ากลับมาเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะเกิดมายากจนไม่ร่ำรวยไม่มีฐานะที่ดีเป็นต้นอนนี่คือสิ่งหนึ่งปัจจัยข้อที่หนึ่งของใจที่ถ้าเราอยากจะให้ใจของเราอยู่ดีกินดีร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มหนำสำราญใจ ในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาที่ตายไปก็ได้ไปสวรรค์แล้วหลังจากที่กลับมาเกิดใหม่ก็จะได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยที่มีฐานะดีเป็นต้นนี่สิ่งถ้าเราอยากให้ใจเรามีความสุขใจเราต้องหมั่นทำบุญทำทานอย่างน้อยวัวละหนึ่งครั้งก็ยังดี ทำมากทำน้อยก็แล้วแต่กำลังของแต่ละคนไม่มีข้อจำกัดทำได้น้อยก็ทำได้มีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากตามทำไปตามกำลังแล้วใจจะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจไปทุกวันส่วนปัจจัยข้อที่สองคือเครื่องนุ่งห่มของใจคืออะไรเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลนี่เอง ศีลคือการละเว้นจากการกระทำบาปคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดุดดื่มสุรายามเมาเป็นต้นนี่คือศีลที่จะปกป้องรักษาใจเป็นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่สวมใส่เพราะใจที่มีศีล น, นี้จะเป็นใจที่สวยงามน่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือ เหมือนกับคนที่มีเสื้อผ้ า, าพรที่สวยงามไม่สวมใส่เวลาใส่เสื้อผ้าที่สวยงามให้กับร่างกายเวลาใครพบเห็นก็จะอดที่จะมีความชื่นชมยินดีมีความเคารพนับถือไม่ได้นี่คือเสื้อผ้ า, าพรของใจก็คือศีลคือการไม่ทำบาป เสื้อผ้าพ่อนนี้นอกจากให้เสริมสวยความสวยงามของร่างกายของผู้่ให้ร่างกายมีสง่าราศีแล้ว <c oughs> ยังสามารถป้องกันภัยได้ในระดับหนึ่งด้วย <c oughs> คือป้องกันภัยที่เกิดจากอากาศที่หนาวเย็นเป็นต้นช่วงนี้เรามีอากาศหนาวเย็นเราก็ต้องมีเสื้อผ้าที่มีความหนา <c oughs> ที่เราสามารถใส่แล้วป้องกันไม่ให้ความเย็นเข้ามากระทบกับร่างกายได้และยังสามารถ ป้องกันพวกมแมลงสา์กัดต่อยต่างๆได้ด้วยนอกจากเป็นเป็นเป็นเครื่องประดับร่างกายให้ดูสวยงามแล้วยังเป็นเครื่องป้องกันร่างกายได้ในส่วนหนึ่งด้วยศีลก็เช่นเดียวกันศีลก็จะทำให้จิตใจนี้มีสง่าราศีมีความสวยงาม มีความน่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือเป็นเป็นความเสริงความงานของใจนอกจากนั้นยังป้องกันภัยของใจได้ด้วยภัยของใจคืออะไรที่จะมาคุกคามใจก็คืออบายทั้งสี่นี่ได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกถ้ามีศีลพุ้มหอจิตใจไว้ พวกเปรตพวกเดรัจฉานพวกอรูสุนละกายพวกนรกนี้จะไม่สามารถเข้ามาสิงอยู่ภายในจิตใจได้ก็คือป้องกันไม่ให้ใจเวลาตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายนั่นเองถ้าทำบาปถ้าทําบาปแล้วใจก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าบุญ น, น้อยกว่าบาปถึงแม้ได้ทําบุญทําทานอยู่ แต่ถ้าไม่ได้รักษาศีลยังทำทำบาปคู่ไปกับการทำบุญอยู่ถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญบุญก็ยังจะไม่สามารถส่งผลได้เพราะบาปมีกำลังมากกว่าบาปจะเป็นผู้ดึงใจให้ไปรับผลให้ไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือไปนรกก็อยู่กับสาเหตุของการกระทา ถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นสัศวนรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะไปนรกแต่ถ้ามีศีลคือมีการรักษาศีลคือไม่ทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่เดิมสลายยามเมาศีลนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ใจไปเกิดในอบายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้ามีศีลก็จะไม่ไปอบายถ้ามีบุญก็จะไปสวรรค์แทนถ้าไม่มีบุญไม่มีไม่มีบาปก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป เวลาไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ทําบาปก็จะไปเกิดเป็นปกติถ้าทํำบาปเช่นไปรับใช้บาปในอบายมาแล้วพอกลับมาเกิดในเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นมนุษย์ที่ลําบากยากจนฐานะการเงินการทองไม่ดีเป็นต้นนี่คือถ้ามีศีลก็จะป้องกันไม่ให้ไปอบายได้ ถ้าไปเกิดถ้าไม่ได้ทําบุญไม่มีไม่บุญพระไม่มีบุญพาไปสวรรค์แล้วก็บาปก็ไม่มีที่จะดึงไปอภัยถ้าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันก็ไปเกิดรอไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นเหมือนมนุษย์เหมือนที่เป็นคราวนี้ไม่รวยขึ้นไม่จนลงฐานะเท่าเดิมแต่ถ้าได้ทําบุญด้วยได้รักษาศีลด้วยบุญก็จะมีมากกว่าบาป ก็จะไปเกิดในสวรรค์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะมั่งคั่งล่ำรวยต่อไปนี่คือปัจจัยข้อที่สองของใจที่เราควรที่จะหมั่นกระทำกันถ้าเราอยากให้ใจของเราอยู่อย่างแควค่าปลอดภัยจากพ่ายที่ทุกข์ขังเกืียดบายทั้งสี่และอยากให้ใจของเราสวยงามน่าเคารพนับถือ น่ชื่นชมยินดีก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ส่วนปัจจัยข้อที่สามของใจคือที่อยู่อาศัยอะไรเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยมีไว้ทําไมสําหรับร่างกายก็มีไว้ป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้ป้องกันจากฝนตกแดดออก หรือมีพายุอะไรเป็นต้นอากาศหนาวแล้วก็ป้องกันภัยจากบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีเช่นโจรผู้ร้ายหรือป้องกันภัยจากสัตว์เดรัจฉานที่ดุร้ายเป็นที่หลบภัยของร่างกายคือบ้านที่อยู่อาศัยชั้นใดใจก็ต้องมีที่หลบภยัยภัยของใจคืออะไร ภัยของใจก็คือความทุกข์วุ่นความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆความวิตกความกังวลความหวาดกลัวความเสีย อ, อกเสียใจความเศร้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความทุกข์ของใจที่ถ้าใจมีมีบ้านของใจใจก็จะสามารถหลบจากภัยเหล่านี้ได้ชั่วคราว บ้านของใจที่จะหลบภัยเหล่านี้ก็คือสมาธินี่คือความสงบถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาสู่ในใจของเราได้ใจของเราจะเย็นจะสุขจะสบายก่อนที่เข้าไปในสมาธิใจเราอาจจะวุ่นวายใจเราอาจจะทุกข์อาจจะเครียดอาจจะวิตกอาจจะกังวลกับเรื่องต่างๆ แต่พอเราสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้ก็เท่ากับว่าเรามีบ้านของใจที่เราสามารถเข้าไปหลบภัยต่างๆได้เพราะเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วใจจะเย็นใจจะมีความสุขอย่างยิ่งใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่กังวลกับเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่บ้านของใจคือสมาธิก็เป็นที่อยู่ที่หลบภัยได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าใจก็ยังต้องออกมาทําภารกิจร่วมกับร่างกายอยู่ก็ต้องมาพบป ะ, ปะความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าอยากที่จะกําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจซึ่งเปรียบเป็นเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บของใจเราก็ต้องมียารักษาโรคของใจยาที่จะมาสามารถรักษาโรคของใจให้หายปิดทิ้ง โดยที่ไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิก็คือปัญญาถ้าเรามีปัญญามีความรู้ความฉลาดรู้ถึงสาเหตุของความทุกข์ของใจว่าเกิดจากอะไรแล้วสามารถหยุดความทุกข์หยุดเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ได้ความทุกข์ก็คือความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปแล้วก็จะหายไปอย่างทาวล ไม่เหมือนกับการหลบภัยหลบความทุกข์ใจเข้าไปในสมาธิสมาธินี้เป็นที่หลบภัยหลบความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิมาความทุกข์ใจก็จะตามออกมาได้เพราะความทุกข์ใจไม่ได้ตายด้วยกำลังของสมาธิแต่ความทุกข์ใจนี้จะตายด้วยกำลังของปัญญาปัญญานี้คืออะไรคือความรู้เรื่องของ ทุกและเรื่องของเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจะอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุ้ว่าก็คือตัณหาความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิธธ่นรสผุดสะพะความอยากมีอยากเป็นแล้วความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้จะทําให้ใจทุกข์กับร่างกายเพราะว่า ถ้ามีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดการมาตัญหาอยู่ก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงใจก็จะกังวลกับเรื่องของสุขภาพของร่างกายว่าจะอยู่ไปอย่างสมบูรณ์แข็งแรงไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะใจไม่สามารถอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้หรือความอยากมีอยากเป็น อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมียศมีตำแหน่งอะไรเป็นต้นเหล่านี้ก็จะทำให้ใจตกทุกข์กังวลถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปก็จะไม่สามารถเป็นสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ความทุกข์อีกอย่างก็เกิดจากความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ที่ทำให้ใจไม่มีความสุข ถ้าเข้าไปในสมาธิก็จะหยุดความทุกข์เหล่านี้ได้ชั่วคราวแต่เวลาออกมาจากสมาธิก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้ต่อไปถ้าอยากที่จะทำให้ความทุกข์เหล่านี้หมดไปก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามชนิดนี้ให้ได้หยุดการว่าตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและการที่จะหยุดได้ก็ต้องเข้าใจถึงความจริงของสิ่งต่างๆเช่นร่างกาย ที่จะอยากให้ยั่งยืนถาวรให้มีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียวว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงมีทั้งสุขมีทั้งเจริญแล้วก็ต้องมีมีทั้งมีความทุกข์มีทั้งมีความเสื่อมตามมาต่อไปตอนเกิดใหม่ๆก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแต่พอถึงวัยกลางคนแล้วก็จะเริ่มเจอความเสื่อมเจอความทุกข์ของร่างกาย ร่างกายก็ต้องค่อยๆแก่ลงไปแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนายที่สวยก็ต้องตายไปอยากให้ร่างกายไม่ตายก็จะทุกอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจกรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องก็เป็นทุกถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยการสอนใจว่าสิ่งที่ปัญญาอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ ชีใจไม่สามารถสั่งได้สั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้สั่งให้ร่างกายอยู่ยั่งยืนถาวรให้เป็นเครื่องมือในการเสพลูปเสียงกิ่ลดไปตลอดนี้เป็นไปไม่ได้ร่างกายไม่เที่ยงร่างกายไม่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของใจวันหนึ่งใจยังไม่สามารถควบคุมร่างกายนี้ได้ตอนนั้นถ้าไม่ยอมปล่อยพม่ยอมรับความจริงไม่หยุดความอยากใจก็จะทุก แต่ถ้ามองเห็นความจริงว่าควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาร่างกายเป็นอนัตตาเราสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาให้ความสุขรับใช้เราไปตลอดไม่ได้พอถึงเวลาเราก็ต้องปล่อยวิธีที่จะปล่อยก็คือถ้าเรามีสมาธิเราก็จะปล่อยได้เพราะเรารู้ว่าถึงแม้เราจะไม่มีร่างกายเราก็ยังมีความสุขได้จากความสงบของสมาธิเราก็จะปล่อยได้ แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะหาความสุขจากอะไรถ้าเราปล่อยร่างกายไปแล้วถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขดังนั้นก่อนที่เราจะมาสู่ขั้นปัญญาได้เราต้องมีฐานคือสมาธิความสุขของสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก่อนเพื่อที่เราจะได้ปล่อยความอยากละความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เพราะเรารู้ว่า เรายังมีความสุขได้จากความสงบอยู่นั่นเองเวลาเวลาปล่อยปล่อยได้จริงๆละความอยากได้จริงๆใจที่ดล่นหลนใจที่วุ่นวายก็จะกลับมาสงบแต่สงบแบบไม่ใช่สมาธิคือสงบแบบไม่ต้องเข้าสมาธิสงบเพราะว่าไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ใจวุ่นวายเพราะตัญหาความอยากได้ถูกกําจัดด้วยปัญญาพอปัญหาพอตัญหาความอยากต่างๆได้ถูกกําจัดหมดไป ใจก็จะสงบไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ภายในใจต่อไปโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ น, นี่คือปัจจัยข้อที่สี่คือปัญญาเป็นธรรมะโอสดปัญญารักษาใจให้หายจากความทุกข์ทั้งปวงได้สมาธินี้เป็นที่หลบภยัยหนบความทุกข์ไว้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์หายไปได้อย่างถาวรต้องเป็นปัญญา ปัญญาก็คือต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยรรสัจ4ี่นั่นเองนี่ก็คือเรื่องปัจจัยสี่ของใจที่พวกเราจะมาสร้างกันอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอที่ละหนึ่งครั้งก็ควรที่จะมาตรวจตาดูว่าปัจจัยสี่ของใจเราเป็นอย่างไรบ้างเราขาดอะไรบ้างขาดอาหารก็เติมอาหารให้ขาดเครื่องนุ่หมก็หาเครื่องนุ่หมมาใส่ให้ ที่อยู่อาศัยก็ต่อเติมที่อยู่อัยสร้างที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคใจก็เจริญปัญญาหายามาให้กับใจแล้วต่อไปใจของเราจะอยู่อย่างน้อมเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายที่อยู่อย่างน้อมเย็นเป็นสุขมาตั้งแต่เกิดปัญหาของร่างกายไม่ไม่ค่อยมีเหมือนกับปัญหาของใจปัญหาของใจนี่มีอยู่แทบทุกวัน ปัญหาของร่างกายก็นานๆก็อาจจะเกิดขึ้นสักครั้งอาจจะไม่สบายบ้างเป็นนั่นเป็นนี่บ้างแต่มียารักษาโรค ก, ก็ยังรักษาให้หายได้ยังอยู่เป็นปกติสุขได้มาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ใจเรานี้ถ้าจะไม่สบายถ้าเกือบทุกวันก็ว่าได้ไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ทุกข์กับคนนั้นก็ทุกข์กับคนนี้เพราะใจไม่มีปัจจัยสี่นั่นเองต้องพยายามหาเวลามาสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจอยู่บ่อยๆ แล้วต่อไปใจจะได้อยู่อย่างนิ่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายการแสดงสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเพราะว่าเราได้กําหนดไว้30นาทีด้วยกันถ้าต่อไปนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างปัจจัยที่3มให้กับใจก็คือที่อยู่อาศัยของใจคือการทําสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบวิธีที่จะทำให้ใจนิ่งให้สงบต้องหยุดความคิดให้ได้ และการที่จะหยุดความคิดต้องมีกรรมฐานคืออารมณ์ไว้ผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเช่นอารมณ์อารมณ์ที่กล่อมใจนี่เราเรียกว่ากรรมฐานผูกใจไว้กับพุโทโธก็ได้พุโทโธนี้ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่จะสามารถกล่อมใจให้นิ่งให้สงบได้หรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือว่าถ้ายัางดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้เพราะใจยังคิดมากอยู่อยใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้หรือจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้อันนี้เป็นเป็นการเจริญธรรมานุสติถ้าบริกรรมพุโทโธก็เป็นการเจริญพุท ธ, ธานุสติถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นการเจริญานาปณสติคือต้องมีสติคือการระลึกรู้ กำกับใจให้รู้อยู่กับพุทโธ ร, รู้อยู่กับลมรู้อยู่กับบทส่วนมนุ์เป็นต้นหรือจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ที่เราจะถนัดถ้าเราถนัดอาการสามสิบใช้อาการสาสองก็ได้ถนัดการเจริญมนานุสสติก็ใช้การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็ได้อารมณ์เหล่านี้เรียกว่ากรรมฐานเวลานั่งสมาธิจะตามใจให้นิ่งต้องมีมี มีสติคือการละเลิกรู้กำกับใจให้ละเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเพียง อ, อย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถึงแม้เวลานั่งไปแล้วอาจจะมีอะไรเข้ามาก็ไม่ต้องไปตามรู้มีเสียงดังเข้ามาก็ไม่ต้องไปตามรู้ให้ผูกใจอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆมีภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปตามรู้ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราอยากจะให้ใจเข้าสู่ความสงบถ้าเราอยากจะสร้างบ้าน มีสมาธิสร้างให้สําเร็จเราต้องมีแต่ใจจดจ่ออยู่กับการสร้างบ้านการสร้างบ้านของใจก็คือการมีสติแล้วแล้วรู้อยู่กับกรรมาฐานนี่ถ้าเราเรู้อยู่กับกรรมาฐานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนทําอย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งได้ถักแต่ว่ารู้ได้อนนั้นใจก็จะนิ่งจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงใจจะบาดจากความลักชังโกลัวลง คือเป็นอุเบกขาขึ้นมา น, นี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมานั่งกันไปจนกว่าจะหมดเวลาประมาณสัก26นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลาคราวหน้ามานั่งก็ใช้วิธีนี้นั่งต่อได้เลยก็จะสงบเหมือนวันนี้อยากไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยก็ ข, ขอให้หมัน่นเจริญสติให้มากขึ้นในระหว่างวันก่อนที่จะมานั่งสมาธิจเจริญพุโทโธไปได้ตั้งแต่ตืน่นจนหลับหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลา แล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นแล้จะนั่งสมาธิได้นานได้สงบมากขึ้นอล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวเรวหาปุราปริพขุเลนติสาขังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกปะติอิติตังปะิตังตุงหังคิดเมวาสมิจจโต สัพเพปุลังตุสังกะปาจันโทปนะรัส y โยธาเมญิชติรัสรโยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมเตภวตตวันตรายโสุขีติคายุโกภวา อาพิวาทานสีลิทสะนิจังวุทธาปจายิโนจ่จตารโหธัมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง<า>ช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 สองร้อยหกสิบแปดท่านทาง y o u t u ดรัวีสามสิบห้าท่านทางวิทยุออนไลน์สิบสามท่านทางคลับ h ฮ u ส e 4ี่ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยหกสิบสามท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าท่านครับอ่ะโยมที่อยากจะถามสัญญาปัญญาเข้ามานี่ไเข้ามาเอาไม่ไปทางนี้ทางนี้ ดดลกลับอาตนาจารย์ความเก่าตั้งแต่ธรรมะบนเขาเรื่องของความคลองแวะในพระธรรมว่าจะสามารถจัดการอะไรกับชีวิตได้ก็เห็นมาสองตัวแล้วตัวแรกคือเสลนะสุกติยันติตัวที่สองคือโภคสัมปตาตอนนี้ขณะนี้ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องสัญญากับปัญญา ว่าจะต้องทำยังไงกับมันทราบอยู่ว่าสัญญาแปลว่าไม่หลงไม่ลืมมีความหยิ่งยะโสคิดว่าตัวเองเรียนเก่งแล้วก็ทำอะไรก็ได้เก่งกาจกว่าคนอื่นส่วนปัญญาเป็นตัวปรมัดที่จะทำให้เราควบคุมว่าสัญญานั้นที่เราคิดว่าตัวเองอะ่ะเก่งยะโสแล้วเกินเนี่ยมันเป็นอย่างไรอยากเรียนถามอาจารย์ว่าปัญญาตัวเนี้ยที่จะจัดการสัญญา ที่ทำให้เราเนี่ยงยะสสว่าฉันเก่งฉันดีฉันเลิศเนี่ยเอาปัญญาตัวไหนไปดับครับอาจารย์คือต้องเจอความทุกข์ก่อนเจอความทุกข์แล้วเราก็จะรู้ว่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้มานี่มันไม่พอที่จะดับความทุกข์ได้แต่ต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเห็นด้วยความเป็นจริงเห็นใจรักเห็นอริยาาสัจสี ก็จะสามารถดับความทุกข์ได้งั้นถ้ายังไม่ได้ปฏิบัตินี้ความรู้ที่ได้มานี้ยังไม่แน่นอนว่ า, าจะเป็นปัญญาหรือเป็นสัญญาถ้าเอ า, า, า, าไปใช้ดับความทุกข์ได้ก็ถือว่าเป็นปัญญาแต่ถ้ายังเอาไปใช้ดับความทุกข์ไม่ได้ก็ยังเป็นสัญญาอยู่อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์เอาคนที่เรียนแล้วเรียนรู้มากๆแล้วต้องไปพิสูจน์ต่อว่าสามารถเอาความรู้ที่เรียนหรือมานี้ดับความทุกข์ใจได้ไหม ตัวสุดท้ายที่โกได้จากชีวิตจริงคือปัวที่ยากที่สุดคืออริยทรัพย์ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ไม่รู้จักอริยทรัพย์ที่แท้จริงเพิ่งมารู้จักอาการิยทรัพย์ไม่กี่วันนี้ก็ฉโนดที่ดินอะไรอะไอะไรก็ไม่เอาเลยร้านเลินปิดจะ ต, ตั้งใจล่อดเลฟังธรรม คุยกับธรรมะอยู่กับธรรมะเพราะนั้นจะคล้ายๆกันไหมครับอาจารย์ระหว่างที่เรารู้เล่นๆว่ามันคือท่องจําว่าอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของอริยทรัพย์แต่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะอริยทัพย์ใช่ไหมครับคือตัวเดียวกันแต่รู้ไม่แจ้งใช่ไหมครับใช่รู้แล้วดับทุกได้หรือไม่ถ้ารู้แล้วยังดับทุกไม่ได้ก็ยังเป็นสัญญายต้องข้ามไปถึงอ่าตัวของ ที่ไม่ใช่โลกกระทำแปดเป็นโล ก, กุตตะหรือเปล่าครับอาจารย์มันก็ไม่รู้ว่ามันกันมันจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันมันเราไม่ทุกข์กับมันใช่เราไม่ทุกข์ ก, กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกเป็นโรคมะเร็งเราก็เฉยเฉยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าปัญญายอมรับความจริงว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายเป็นธรรมดาถ้ายังรับไม่ได้ยังทุกข์ยังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังเป็นสัญญาอยู่เพราะฉะนั้นให้เข้าหาธรรมะ แล้วแก้ปัญญากับสัญญาจนกว่าจะรู้ใช่สัญญาเราอาศัยสัญญาที่เราเรียนรู้มาจดจําไว้แล้วทําเอาไปใช้เวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาว่าเราสามารถเอาความรู้ที่เราจดจาําอันี้มาดับความทุกข์ได้หรือไม่ถ้าดับความทุกข์ได้มันก็เป็นปัญญาแต่เหรียญบาทสีเหลืองกับสีสีขาวมันเคาะติดกันหน้าจารย์กายกับใจอะ่ะทุกวันนี้ก็โอ้โห อตรงนี้ก็แยกไม่ออกลูกช้างก็หมดปัญญางูต้ น, ตนก็แยกด้วยสมาธิไงเนี่ยเอาฝึกนั่งสมาธิเรากําลังแยกใจออกจากกายชั่วคราวสติกับสมาธิเป็นตัวเดียวกันไหมครับอาจารย์สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติเป็นตัวที่ทําให้เกิดสมาธิคือความนิ่งขึ้น ม, มีสติอยู่กับลมนี่เรียกว่ามีสติพ อ, อจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเป็นผลขึ้นมาครับ ตกลงก็ที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่บวชกว่าจะคุยกับพระอาจารย์ที่อาบนเขาแล้วก็เนี่ยแก่เลยหกสิบสองเพิ่งได้แค่นี้เองนะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่ค้ำไม่ได้พอเหตุจะพยายามทำไม่ได้แต่ณตอนนี้รู้ว่าไม่ไม่มีอะไรที่อยากได้อีกแล้วแม้กระทั่งโฉนดก็ไม่อยากได้ ทดสอบดูดูไปเรื่อยๆ อ, อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าเป็นสัญญา <laughs> <laughs> เรื่องอ่าทานเวียทานธรรมทานและรยาทานเมื่อก่อนโกรธเก่งเดี๋ยวนี้ไม่เคยเลยครับอาจารย์คนเหยียบเท้ายังขอโทษเขาเลยให้อาภายัยแล้วก็จะพยายามทำต่อปรมาังสุขขังอาจารย์กราบพระอาจารย์อีกหนึ่งครั้งอ้าเท่าะขอให้หลุดพ้นายในพระนชาินี้นะก็พยายามที่สุดครับาาอาจารย์ เจ้าค่ะพระอาจารย์มีคาถามค้างถามจากเมื่อวานเจ้าค่ะจากอินบอ็อกซ์กลาบนมสสรดการหลวงพ่อค่ะหนูมีโอกาสได้เลี้ยงลูกสุนักเพศเมียถ้าหนูเอามันไปทำหมันเพื่อมันจะได้ไม่เป็นมดลูกอักเสบหนูจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกเป็นการรักษาตัวเขาเจ้าค่ะหนูมีลูกชายเป็นเด็กพิเศษอายุสิบขวบคือเขา เข้าสังคมไม่เป็นไม่มีเพื่อนไม่ค่อยสนใจความรู้สึกใครสมาธิสั้นนี่ถือว่าเป็นเวรกรรมของหนูใช่ไหมคะเป็นกรรมของเขามากกว่าจะค่ะจากเ facebook เมื่อวานเจ้าค่ะ น, น ร, รัตการเจ้าค่ะขอการเรียนถามภาวนาพุทโธ ท, ทั้งวันทําอย่างไรคะให้นึกใจพุทโธพุทโธเฉยๆไหมคะใช่อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่พุทโธคําเดียว ค่ะในกรณีที่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดการภาวนาจะใช้อะไรต่อคะเวลาใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอทำงานเสร็จแล้วก็ไม่มีความคิดต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานก็อย่าปล่อยให้คิดเรื่องอื่นดึงมาพุโทโธพุโทโธต่อเจ้าค่ะคุณทีคัฒนาถามมาเมื่อวานว่าถ้าการเจ็บป่วยเป็นอุปสรรคในการนั่งนาน แต่ได้ใช้การจงกรมวันละสามเวลาแบบนี้ยังรักษาสมาธิอุเบกขาพอได้ไหมเจ้าคะอาจนั่งได้แค่สิบนาทีสามเวลาแต่ได้จงกรมมากกว่าแต่ว่าประคองสติให้อยู่กับกุศลไว้แบบนี้เราถูกกิเลสหลอกไหมว่านั่งนานเราจะเจ็บคือถ้าเดินมันจะสงบน้อยกว่านั่งถ้าราอยากจะให้มันสงบมากกว่าเดินก็ต้องนั่ง ถ้าเดินก็ได้ความสงบระดับหนึ่งแต่ยี่สิเอร์ซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตถ้าอยากให้มันเข้าไปถึงแปดสิบถึงร้อยก็ต้องนั่งเช้าค่ะคุณวิไลรักกว้างนอกค่ะถามเข้ามาเมื่อวานว่าพระอาจารย์โยมอยากจะบวชชีเพราะโยมไม่เหลือใครแล้วบวชคราวนี้ไม่ศึกแล้วแต่โยม ไม่ทราบว่าไปบวชที่ไหนและก็ปฏิบัติได้ที่ไหนยมขอความคิดเห็นและความเมตตาจากพระชาจรอธิบายให้ยมทราบด้วยค่ะก็เหมือนไปเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเลือกโรงเรียนไปทีเลือกโรงเรียนแล้วก็เราไปศึกษาแต่และโรงเรียนหรือถามคนที่เรารู้จักว่าโรงเรียนไหนดีเราอยากจะบวชชีแล้วก็ไปถามว่าที่ไหนมีชีเข้าไปอยู่ไปปฏิบัติเป็นสถานที่ดีต้อง ต้องหาความรู้ว่าต้องค้นคว้าห่าความรู้เอาคนเบื้องต้นเรามีอินเทอร์เน็ตนี่เขาเขียนเข้าไปสำนักแม่ชีในประเทศไทยแล้วก็ค่อยไปอ่านแต่ละสำนักว่าเขามีอะไรการปฏิบัติอย่างไรหรืก็ซื้อของในลาซาด้นี่ <c oughs> อยากจะซื้ออนะไรเขียนสินค้านั้นเข้าไปแล้วก็ไปดูรีวิวฮนะค น, คนนอคนนี้คนนี้อ่านแล้วว่าสินค้านี้ไม่ดีเลยสินค้านี้ดีแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน วัดวารามก็เป็นเหมือนกับสินค้าอย่างสามารถเสิร์ชหาได้ใน o o g l e เนี่นะคำนับชีก็ได้ํำนับวัดป่าปฏิบัติทำที่มีแม่ชีปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้เจ้าค่ะคุณชวนชมขอถามเจ้าค่ะมีคำถามสี่ข้อข้อที่หนึ่งคนบ้าบารรลุธรรมได้ไหมคะคนําไม่บ้ายัางบรรูุ้ไม่ได้เลยไม่น่าถามเลย ข้อสองถ้าบริกรรมภาวนาไม่มีที่เริ่มต้นไม่มีที่ท่ามกลางไม่มีที่บั้นปลายได้ไหมคะหมายความว่าอย่างไรก็ให้บริกรรมไปทั้งวันเลยสาร์ข้อที่สามาะว่าบื้มใช้เป็นคําบริกรรมได้ไหมคะก็ลองดูสิข้อที่สี่ค่ะถือศีลแปดกินยาแก้ไอเยลลี่ หลังเที่ยงได้ไหมคะตั้งกินเป็นยา ก, ก็ได้ตั้งกินเป็นขนมก็ไม่ได้เจ้าค่ะมีหน้าหน้ากุติถามเข้ามาว่าพระอาจารย์มีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมใหมคะะาาเนี่ยจเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์วันพระเนี่ยสองไปสองดวงนั่งสมาธิกันเจค่ะคุณคุณประทีปค่ะถามเข้ามาในเฟซบุ๊กกล่าวมรสการพระอาจารย์สุชาติครับขอการครับ ตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจขัดเลือดต้องทําบอลลูนและใส่ขดลวดรู้สึกผิดเศร้าใจเสียใจแล้วโทษตัวเองที่ดูแลตัวเองไม่ได้ดีใช้ชีวิตแบบประมาททําให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาตอนนี้การพิจารณาหรือจะแก้ไขความรู้สึกไม่ดีแบบนี้ได้อย่างไรบ้างครับของพระอาจารย์เมตตาแนะนํำด้วยครับความจริงปัญหามันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราไม่รักษาใจไว้นุงน่งงาก่อน ถ้าเราคอยเตือนใจเรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยวเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะเตรียมตัวรับกับความแก่ความเจ็บความตายไว้พอเกิดความแก่ความเจ็บความตายใจเราก็จะไม่ทุกข์ส่วนร่างกายเราต่อให้เราดูแลดีขนาดไหนเราก็ห้ามมันไม่ได้มันในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีเห็นเราไปดูปัญหาผิดจุดปัญหาอยู่ที่ใจที่เราทุกนี้ทุกที่ใจ เราต้องมาแก้ที่ใจด้วยการสอนใจให้ยอมรับความจริงของร่างกายเพราะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับได้ความทุกข์วุ่นวายใจที่มีอยู่ในขณะนี้ก็จะหายไปเจ้าค่ะจากชาวต่างชาติเจ้าค่ะ dear พระอาจารย์ o u l d you please explain what บุญ and ทำบุญ actually means thank you very much in this Bun or tam bun is is the is what we call doing good karma, like giving, like during Christmas and during the holidays you buy gifts and give to somebody. This is tam bun, make other people happy, and in the process you yourself become happy by giving. So tam bun is to give happiness to other people. It doesn't matter who you give. You can give to. Lay people, you can give i to t monks. Buddhists usually believe in giving to monks, so every day they will give food to monks. This is tam bun, doing good karma. Jaka, Jaka, Kun Ben Jawan, ความหลงของผู้สูงอายุมีวิธีไหนช่วยได้คะคุณแม่ท่านหลงทํางานทุกไม่ต้องการให้แม่เหนื่อยค่ะเราตัางหากที่ต้องแก้เราเพราะเราเป็นคนทุกเอง แม่เขาไม่ได้ทุกข์ซะหน่อยเราไม่ทุกข์แทนแม่เขาทำไมเราต้องแก้ตัวเรา่เรื่องของแม่ก็เป็นเรื่องของกรรมของแม่ไปเรื่องของเราที่ทุกข์ก็เพราะเราเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้จักปล่อยวางเราไม่รู้จักว่านี่คือเรื่องของโกรธแห่งกรรมเจ้าคาจากทาง y ยูทูบเจ้าค่ามีสองคำถามคําถามที่หนึ่งระหว่างการทํางานเราสามารถนําสติมาระลึกรู้เบาๆกับการเคลื่อนไหว เช่นการยืนการเคลื่อนไหวแล้วถอยระลึกรู้เบาๆในขณะเดียวกันที่ถอยระลึกรู้มีกิเลสตามความคิดมีกิเลสความคิดความปรุงที่พูดอยู่ตลอดเวลาเหมือนเสียงที่ภาคอยู่ในหัวเราให้เราปล่อยความคิดนั้นๆไม่ตามมันออกไปแล้วดึงกลับมาที่สติของการเคลื่อนไหวตามเดิมเมื่อเรารู้กิเลสไม่ว่าจะทําการใดๆเมื่อเราจะ ไม่ทำสิ่งนั้นเช่นการถามคำถามนี้กับพระอาจารย์เห็นกิเลนนี้มันยิ้มมันพอใจกับการที่ไม่ถามลูกทำสิ่งตรงข้ามกับกิเลนนี้ถือว่าเป็นการฝืนกิเลสพยายามที่จะไม่ตามไปลูกทำถูกต้องไหมคะและหากพระอาจารย์แนะนำเช่นไรลูกขอกราบคาน้อมคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะถูกแล้วเราอย่าทาตามกิเลสกิเลสชวนเราไปเที่ยวเราก็อยาไป แต่ถ้าถ้าท้าใจถ้าธรรมะชวนให้เราไปวัดเราก็ไปเราต้องรู้ว่าบางอย่างก็เป็นกิเลสบางอย่างก็เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นกิเลสไปหมดไม่ใช่ความคิดชวนเราไปวัดก็หาว่าเป็นกิเลสอย่นไม่ต้องทําอะไรเลยอย่าถ้าเรายังต้องปฏิบัติต้องศึกษาเราก็ต้องไปวัดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไปเที่ยวนี้มันไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจเราก็อย่าไปต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่เป็นกิเลส อาจารย์ u t u b e ค่ะขอถามค่ะตอนนี้ป่วยมีเวทนาทางกายบางทีก็เจ็บจีดจ๊ดจิตแข็งจิตหมุดหงิ ด, งดบางวันก็รู้สึกว่าทนไหวเป็นอย่างนี้สลับกันไปการที่เราตามรู้ไปอย่างนี้ถูกไหมคะหรือควรจะทําอย่างไรคะขอบพระคุณค่ะคือให้รู้เฉยๆรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วอย่าไปอยาให้เป็นอย่างอนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ ถ้าอยากให้มันไม่อยากถ้ให้มันไม่เจ็บใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้ามันเจ็บก็ยอมรับความเจ็บไปรับใจก็จะไม่ทุกข์ยอมรับความจริงผูดง่ายๆความจริงเป็นยังไงก็ยอมรับมันไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะอยากมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ดีมันก็ยังเจ็บอยู่ดีแต่มันจะทําให้ใจเราทรมานขึ้นมยอีกชั้นหนึ่งถ้าใจเรายอมรับความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดสจ้าค่ะ ชาวต่างชาติคนเดิมจะาถามว่า and what is karma karma is action what you do with your your your body what you what you do with your your your, your voice what you do with your thinking these are three karma karma by word speech and thoughts and this karma can be good or bad karma if you think of stealing something from somebody this is bad karma Thinking of killing something, this is bad karma. Good karma is to help people or animals. Good karma is to give happiness to other people. Bad karma is to give damage or pain to other people. So we have good and bad karma that we have to choose. Bad karma will give us suffering. Good karma will give us happiness. เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะอ่ามีช่วงว่างแล้วขาประจาําไม่ไงอ่าอันนี้กิเลยบอกให้มาเดี๋ยวอยู่ที่เฉยดีกว่าให้เวลนเดี๋ยวรอใครอยากจะถามก็เชิญถามได้นะช่วงนี้ตอนี้ว่างจากคําถามจากทางบ้านเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเวลามาถามคําถามนี้ คนอื่นที่ก็ไม่รู้เขาก็จะได้รู้ เ, เราได้รู้แล้วคนอื่นก็ได้รู้ด้วยเป็นประโยชน์ไม่น่าเสียดายไม่น่าไม่น่าอายขายหน้าการถามนี่เป็นการถามเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้ถ้าเราฉลาดจริงเราไม่มาเกิดกันแล้วถ้ายังมาเกิดอยู่แสดงว่าเรายังโง่อยู่เรายังหยุดคเกิดไม่ได้ยันไม่ต้องอายอย่าไปคิดว่าเรา เราโง่เกิดกำคิดว่าเราโง่ด้วยกันทุกคนเ่ะคนที่มาเกิดนี่โง่โง่โง่เหมือนกันไม่รู้จักหยุดกิเลสไม่รู้ว่ากิเลสเป็นตัวที่พาให้มาเกิดกันมีอะไรไหมยังไม่มีคำถามเข้ามาสัาค่ะถามาแล้วอ <laughs> ด, ดทนไม่ไหวนะ <laughs> กับพระอาจารย์ค่ะที่โยมได้ฟังพี่คนเมื่อกี้ที่เขามาถามเรื่องสัญญาค่ะเหมือนเราฟังอาจารย์มาเยอะฟังอาจารย์หลายศาสตร์หลายสายแต่ก็ยังดับความทุกข์ไม่ได้อันนี้แสดงว่าเป็นแค่สัญญาใช่ไหมคะใช่ยังเป็นปัญญาที่ดับทุกข์ไม่ได้คือปัญญามีอยู่สามขั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งคือปัญญาที่เราเรียนรู้จากผู้อื่น ปัญญาขั้นที่สองคือปัญญาที่เราเอามาจดจํามานึกมาคิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมแต่สองปัญญานี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ต้องต้องพัฒนาเป็นปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาเมาย์ปัญญาอันนี้ต้องมีมีสมาธิมาความกํากับใจด้วยถ้าใจมีสมาธิแล้วใช้ความรู้นี่มาก็จะสามารถดับความทุกข์ได้ต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามต้องไปภาวนาก่อนอันนี้ มีปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการจดจำแต่ยังไม่สามารถหยุดกิเลสได้เพราะขาดสมาธิต้องไปภาวนาให้เกิดสมาธิแล้วเาความรู้ที่เราได้จดจำแล้วได้เรียนรู้นี้มาใช้ก็จะดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้ค่ะแล้วที่เคยได้ยินได้ฟังมาค่ะว่ามีปัญญาอบรมสมาธิหรือสมาธิอบรมปัญญาอันไหนดีที่สุดประเสริฐที่สุดสาหรับแต่ละคนคะ ปัญญาลมสมาี uh ่นี้เป็นกรณีพิเศษเห็นเรานั่งพุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ยังพ่วงผัวอยู่กลัวผัวจะไปมีเมียน้อยก็พิจารณาผัวเลยว่ามันเป็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นของเราแล้วไม่ใช่เป็นของเราอแต่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะไปมันก็ไปมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่ภายใต้คําสั่งของเรางั้นถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราก็ปองมันซะ มันปล่อยมันไปใช่ไหมพอปล่อยมันก็หายความทุกข์ความวุ่นวายใจก็หายไปครับใจก็กลับมาสงบแล้วก็มันดูลมมาพุทธโทต่อได้คือการใช้ปัญญาระงับความรุ่งสร้างความทุกข์ใจที่มาสกัดกัน้นการนั่งสมาธิของเรานั่งไม่ได้เพราะนั่งที่ใดทันทีพุทธโทพุทธโทก็คิดถึงแฟ น, านแบบมาแปรไปมีใครหรือเปล่า yeah. มันก็เลยทําให้ไม่มีสมาธิกับการนั่งยังต้องตัดใจนี้ให้ได้ก่อน เราใช้ปัญญาพิจารณาแฟนไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเขาอาจจะซื่อสัตว์กับเราก็ได้เขาไม่ซื่อสัตว์กับเราก็ได้ถ้าเรามาคอยกังวลเราก็จะเป็นบ้าตายถ้าเราไม่อยากจะเป็นบ้าตายก็ปล่อยเขาไปเขาจะไปไหนก็ไปเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปเป็นของคนอื่นก็เรื่องของเขาพอเราตัดใจได้ใจเราก็สงบสามารถกลับมาพุทโธพุทโธได้อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะ ปัญญารู้รอบเป็นยังไงคะอาจารย์ที่ก็รู้ทุกอย่างไงรู้รอบรู้เรื่องของรู้เรื่องของร่างกายรู้เรื่องของเวทนารู้เรื่องของจิตก็รู้ว่าปัญหาเรามีแค่สามตัวเนี่ยกายเวทนาจิตที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราต้องศึกษาให้เข้าใจว่าทั้งสามอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พะจารยะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายได้ไหมคะสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆค่ะอันนี้อถ้าเราจะรู้ว่าเราละร่างกายได้มันมันมันเป็นยังไงคะออยู่ในปา่าที่มันน่ากลัวแล้ความกลัวหายไปไม่กลัวตายอตอนกลัวตายไม่กล้าเข้าไปในป่าคนเดียวอยายามตายพอยอมตายปยายั๊บมันหายกลัวพอยอมนะว่าร่างกายต้องตายไม่ใช่าก็เล็ว ถ้ามันจะตายในป่าก็ปล่อยมันตายไปแต่ไม่ได้ตายแบบบ้าบิน่นตายแบบไม่มีเหตุมีผลต้องรู้ที่ไปที่กลัวเพราะว่าเรารักตัวกลัวตายอยากให้ร่างกายอยู่แต่เราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นร่างกายเป็นของชั่วคราวในที่สุดมันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นถ้ามันอยากจะตายถ้ามันถึงเวลาจะตายก็ให้มันตายแบบยอมตายแบบนั้นไม่ใช่ยอมตายแบบวิ่งเข้าหาไฟ้าหาหาลูกเปิดอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่เปนแบบว่า ให้เกิดความกลัวที่เกิดให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายเราใช้ความยอมตายนี้ไปยอมดับความทุกข์ใจครับขอบพระคุณเจ้าค่ะลองไปดูเน่ยลองไปอยู่ในป่าคนเดียวค่นคืนนี้ <c oughs> ดูจะกลัวไหมถ้ากลัวก็ยอมตายมันก็จะหายกลัวถ้ายังไม่ยอมตายมันก็มันก็วิ่งวิ่งหนีกลับบ้าน <c oughs> เจาจากทาง f เฟซบ o ๊กถามเข้ามาว่าขอการพระอาจารย์เจ้าค่ะอวิชชาทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิดวิญญาณในปฏิชมุบบาทวิญญาณนี้ใช้ตัวเดียวกันกับธาตุรู้ไหมเจ้าคะกลาบกับพระคุณเจ้าค่ะวิญญาณตัวนี้มันอยู่ในธาตุรู้อีกทีหนึ่งวิญญาณที่รับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายส่วนตัวธาตุรู้นี้เวลามีอยู่กับร่างกายแล้ก็เรียกว่าใจ เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าวิญญาณคำถามจากคนเดิมเจ้าค่ะตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้อารมณ์ภายนอกส่วนใจรับรู้เรื่องภายในถูกต้องไหมเจ้าค้ะและลูกขอกราบพระอาจารย์เมตตาที่บายยกตัวอย่างการรับรู้ภายนอกและภายในที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราขอรบกวนพระอาจารย์เจ้าค่ะรับรู้ภายนอกก็คือตาเห็นเห็นคนขึ้นมาเห็นคนที่เรารักขึ้นมา มันก็เข้าไปในใจพอใจรู้ว่าคนนี้เป็นคนคนน่ารักก็เลยเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็ น, นคนที่น่าเกลียดน่าชางังใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมารู้ภายนอกกับรู้ภายในไม่เหมือนกันภายนอกรับรูปของคนนั้นเข้ามาแล้วภายในก็มีปฏิกริยากับรูปที่เห็นถ้าเป็นรูปที่ชอบก็รักก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเจอรูปที่เกลียดก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา โซคารจากทางยูทูบบางวันจิตใจว้าวุ่นหงอยเหงาเศร้าใจจะขจัดความคิดเหล่านี้ให้สดใสอย่างไรคะใช้สติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดมากยิ่งคิดมากยิ่งทุกมากพอ ร, รู้ว่าทุกก็แสดงว่าเราคิดมากเกินไปก็ใช้ใช้พุโทโธหยุดมันก่อนใช้สติคือพุโทโธหยุดมันเมื่อมีอุเบกขาและเห็นความจริงของสังขารขันจิตจะ ตัดขาดความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมครับยิดจากเฉยๆไม่เดือดร้อนกับสังขารจะเกิดจะดับก็ปล่อยนเกิดมันดับไปไม่ทุกข์กับมันถ้าสังขารไม่เที่ยงและร่างกายสุดท้ายไม่ใช่ของเราอยู่แล้วทําไมเราถึงยังต้องดูแลร่างกายต่อไปครับถ้าไม่ดูแลจะเป็นบาปไหมครับก็เป็นบ้าท้งที่ไม่ดูแล ับนมัส ก, การค่ะเมื่อก่อนกลัวผีแต่พอได้ฟังพระอาจารย์บอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงทำให้เลิกกลัวแล้วเจ้าขากลับนมัส ก, การค่ะต้องไปพิสูจน์ดูก็ <laughs> ต้องไปอยู่ในปา่าช้าตะเคินคนเดียวดูซช่ค <laughs> ่ะจากเ c e บุ o กเช้าค่ะขอาการปัญญาพระอาจารย์การปฏิบัติ ถึงที่สุดได้รู้แจ้งจะไม่กลับเกิดสภาวะนั้นจะรู้ได้ว่าเป็นจริงเป็นปัญญาจริงแท้นะคะเหมือนคนหายจากโรคภัยแค่เจ็บเลวลาปวดหัวตัวร้อนเราก็รู้ว่าปวดหัวตัวร้อนพอกินยาเข้าไปพออาการปวดหัวตัวร้อนหายไปแล้วก็รู้ว่าหายแล้วไปหายจากโรคแล้วเราเคยทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้เดี๋ยวนี้วันนี้ไม่มีทุกข์กับอะไรแล้วแสดงว่าหายแล้ว เจ้าค่ะจากคุณเล็กป๊อปเจ้าค่ะหลังจากตรวจน้ําเสร็จเอาน้ําไปเทลงบนพื้นดินที่ไม่มีต้นไม้จะได้ไหมค้าเคยได้ยินว่าต้องเทราดใต้ต้นไม้ใหญ่คือการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ําเลยใช้น้ําใจคือความรู้สึกของเราเวลาเราทําบุญต้อ เ, เกิดความสุขใจเราก็ระลึกในใจว่าขออุทิศความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วน้ําไม่จําเป็นอันนี้เป็นเอา มันเหมือนเป็นหนังตัวอย่างให้คนที่ไม่เข้าใจว่าน้ำใจเป็นยังไงก็อเอาน้าเป็นเป็นตัวแทนน้ำใจอะไรแต่ความจริงที่เราอุทิศก็คือน้ำใจของเราความสุขใจของเราเจ้าค่ะคุณเบญจวรรณถามเข้ามาว่าเวลา ย, ยมใกล้ตื่นจะมีข้างในบอกว่าไอ้ตัวนี้ต้องตายนะตั้งแต่เด็กยมเลยมั่นภาวนาแต่จิตใจ ย, ยังไม่เข้มแข็งกับความตาย เวลามันมาบอกค่ะต้องภาวนาอย่างไรคะให้ยอมรับก็ต้องตายแน่แน่ทองไม่ได้เลยต้องตายแน่ๆน่นี่พ้นความตายไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องยอมรับนี่ถ้าไม่ยอมรับก็ทุกข์ถ้ายอมรับก็จะไม่ทุกข์เจ้าค่ะจาก YouTube ตอนนี้แม่กลับกลายเป็นเด็กการที่เราจัดการเรื่องต่า ง, างๆบางครั้งก็บังคับให้เขาทำตามเช่นให้เขาตื่นเช้าไปเดินบังคับให้ออกกำลังกายกินข้าวให้ตามเวลาอันนี้ถูกหรือไม่คะควรจะทำอย่างไรและวางใจอย่างไรคือถ้าแม่ยินดีก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าแม่ไม่ยินดีก็ไม่ควรบังคับทีแม่บอช่วยช่วยเตือนหน่อยช่วยบังคับหน่อยราะทีแม่ลืมอย่างนี้ก็บังคับได้ แต่ถ้าไปบังคับแล้วแม่เรำคานใจก็อย่าไปทำเราไม่ต้องการสร้างความทุกข์ให้กับแม่ต้องการให้แม่มีความสุขเจ้ค่ะยังไม่มีคำถามค่ะก็ะพอดีกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ